จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่20สซิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านเวลาวา่าจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เหนือกว่าคำสอนทั้งหลายในโลกนี้เพราะคำสอนต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เรามีความสุขความเจริญที่แท้จริง ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงก็คือความสุขความเจริญที่ถาวรและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรความรู้ทางโลก จะทำให้เรามีความสุขความเจริญทางร่างกายทา ง, างลาบยศสารเสริญแต่ไม่สามารถทําให้เรามีความสุขความเจริญทางจิตใจได้จิตใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันชีวิตของเรามีสองส่วนมารวมกันถึงเป็นเป็นชีวิตขึ้นมาได้ คือมีร่างกายส่วนหนึ่งและเมจิตใจอีกส่วนหนึ่งความเจริญความสุขของร่างกายกับความสุขความเจริญของทางใจนี้เป็นคนละเรื่องกันความสุขความเจริญทางร่างกายก็คือสุขด้วยลาบยศสรรเสริญสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนความสุขความเจริญทางใจนี้ จและเจริญด้วยธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสุดด้วยภพชาติที่จะตามมาต่อไปจะดีหรือไม่ดีจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆหรือจะไปสิ้นสุดไปถึงพระนิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้อยู่ที่ความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกไม่สามารถ ทำให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นไปในภพต่างๆได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ความรู้ทรงมธรรมนี้จะเป็นความรู้ที่จะทำให้เราได้ภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลาดับและสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความแตกตา่าง ระหว่างความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมการปฏิบัติตามความรู้ทางโลกก็จะให้เราได้เจริญทางลาบยศสรรเสริญเจริญทางความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแต่ก็เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวเพราะเมื่อร่างกายถึงเวลาที่จะต้องตายความสุขความเจริญทางร่างกาย ก็จะหมดไปรานยศฉรเสริญความสุขทางตางหูจะหมดลื่นกายก็จะหมดไปส่วนใจที่ต้องไปเกิดต่อถ้าไม่มีการไม่มีความรู้ทางธรรมไม่มีการปฏิบัติทางธรรมก็จะไปแบบมือเปล่าไปแบบขอทานพบชาติที่รออยู่ข้างหน้า ก็จะกลายเป็นพบชาติที่ไม่ดีที่เลวกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพบะพุเจ้าดังนั้นเราต้องแบ่งการหาความสุขให้ทั้งกับทางร่างกายและทั้งทางจิตใจทางร่างกายเราก็หาความสุข ให้ร่างกายอยู่ได้อย่างเป็นปกติไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการครองชีพมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มพอประมาณมีอาหารรับประทานพอประมาณมียารักษาโรคไว้พอประมาณถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็ได้ความสุขทางร่างกายสมบูรณ์แล้วอย่าไปหาให้มันมากไปสว่านี้จะเสียเวลาไปเปล่าๆให้เอาเวลามาหาความสุขความเจริญทางใจดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะทำให้ความสุขความเจริญของใจเรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเรารู้เราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาจิตใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลาดับจากมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทพจากเทพก็ได้ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าจนถึงพระอรหัน ถึพระพุทธเจ้านี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้ า, จ, าจะเป็นคําสอนที่จะพาให้จิตใจของเราได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับพอาะภพชาติแต่ละพบที่เราจะได้ก้าวขึ้นไปนี้จะมีความสุขมากน้อยต่างกันความสุขของเทพ ก็จะน้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของพรหมก็จะน้อยกว่าความสุขของพระอริยเจ้าเช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์ของเทพบก็จะมีมากกว่าความทุกข์ของพรหมความทุกข์ของพรห์ก็จะมีมากกว่าความทุกข์ของพระอริยเจ้านี่แหละคือความสุขและความเจริญที่แท้จริงความสุขความเจริญที่เรา เอาติดตัวไปได้ไปกับใจของเราสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปกับใจของเราได้เพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนความสุขความเจริญของทางร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้พอร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไร ก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีสามีมีภรรยาก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีลูกมีอะไรก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดไม่ได้เป็นของเราแล้วไม่สามารถเอาไปกับเราได้ดังนั้นอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกายด้วยการหาราบยศสรรเสริญด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายพอ จะเป็นความสุขชั่วคราวและก็สามารถกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เวลาที่สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปบางทีเรายังไม่ทันตายเงินทองหมดไปก่อนก็ได้ล้มละลายพอล้มละลายก็อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าพอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพึกอมภาา ภรรยาหรือสามีก็ไม่บายขอลาไปอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถหาความสุขจากเราเราไม่สามารถให้ความสุขจากเขาได้เขาก็ไม่รู้จะอยู่กับเราไปทำไมเขาก็ทิ้งเราไปพอนเขาทิ้งเราไปเราก็ขดหูใจเศร้าใจอยากจะฆ่าตัวตาย นี่คือความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างในเวลาใดดังนั้นเราอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้แล้ว ให้เรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าที่จะไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักหามาแล้วเราก็จะหามันไปได้เรื่อยๆ่อยเราต้องการเมื่อไหร่เราก็สามารถหามาได้ทุกเวลาไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ คือความสุขความเจริญทางใจแล้วก็นําเอามาสั่งสอนให้พวกเราที่ไม่รู้เรื่องของความสุขความเจริญทางใจให้เราได้มารู้แล้วได้มาหากันอย่าไปหาความสุขความเจริญทางร่างกายเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่เราต้องสูญเสีย เวลาที่เราต้องจากลาบยศสรรเสริญจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเวลานั้นเห็นมีแต่คนร้องไห้ไม่มีใครยิ้มไม่มีใครหัวเราะเฮหากันเลยก็เพราะว่าไม่ยอมเสียนั่นเองอยากมีอะไรแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่เรามีนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาจากไป ทั้งๆที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการจากไปแต่ความที่เราต้องมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราไม่อยากให้เขาจากเราไปเพราะเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่มีความสุขนั่นเองจึงอยากจะให้อยู่ทั้งๆที่รู้ว่าอยู่ไม่ได้ก็อยากจะให้อยู่ แล้วพอเวลาเขาจากไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ก็ได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจก็ได้ถ้าเรามีความสุขความเจริญทางจิตใจ motion, ถ้าเรามีความสุขความเจริญทางจิตใจเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีความสุขทางร่างกาย เราก็ไม่เสียดายสิ่งไหนที่ให้ความสุขกับเราจะต้องจากเราไปเราก็ยินดีไม่เดือดร้อนคนไหนจะจากเราไปเราก็ยินดีไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเขานั่นเองถ้าเราไม่มีความสุขทางใจนี้เราจะเดือดร้อนเวลาใครจากเราไป เวลาสิ่งใดจากเราไปเราจะเดือดร้อนมากเพราะเราจะไม่มีความสุขกันนั่นเองดังนั้นขอให้เราอย่าหลงกับการหาความสุขทางร่างกายมากเกินไปหาพอหอมปากหอมคอก็พ อ, อพอมีพอกินพอใช้พอเที่ยวพออะไรได้พอสมควรแล้วเอาเวลานี้มาหาความสุขทางใจกันดีกว่า เอาเงินมาทำบุญทำทานนี่คือวิธีหาความสุขทางใจด้วยเงินทองอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะอันนั้นเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเวลาใช้เงินแบบนี้แล้วจะติดเวลาไม่ได้ใช้ก็จะทุกข์แต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้จะไม่ติดเวลาไม่มีเงินทำบุญทาทานจะไม่ทุกข์ เวลาทำบุญก็มีความสุขกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวสุขนานกว่าทำบุญไปแล้วเดือนหนึ่งมาคิดถึงบุญที่เราทาไว้ก็ยังเกิดความสุขขึ้นมาได้แต่ถ้าไปเที่ยวมาเดือนหนึ่งแล้วไปคิดถึงที่เราไปเที่ยวมาแทนที่จะสุขกับทุกข์เพราะอยากจะกลับไปเที่ยวใหม่เนี่คือความต่างกันถ้าเราใช้เงินไปกับความอยาก มันจะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆแล้วพอเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็จะทุกข์แต่การเอาเงินทองมาทำบุญนี้เราไม่ได้ทำด้วยความอยากเราทำด้วยความเมตตาเราทำด้วยศรัทธาความเชื่อที่พระเจ้าทรงสอนว่าทำแล้วจะทำให้จิตใจเราจเจริญขึ้นจิตใจของเรามมความสุขมากขึ้น พอเราทําแล้วเราก็จะมีความสุขทันทีเช่นวัน น, นี้ญาติโยมนํากับข้าวกับปลาอาหารของเคาวของหวานมาถวายพระถ้าไม่สุขคงจะไม่มาประจำที่มาประจําเพราะว่ามันสุขเหมือนกับไปกินอาหารร้านที่อร ե ็ดอร่อยพอกินแล้วก็ติดใจก็กลับไปกินอยู่เรื่อยๆการมาวัด น, นี้ก็เป็นเหมือนมารับประทานอาหารมาให้ความสุขกับทางใจ ซึ่งมีหลายระดับด้วยกันความสุขระดับแรกนี้ก็คือเอาเงินทองนี้มาทําบุญกันซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของพระพอมาถวายพระแล้วใจก็เกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจขึ้นมาทําให้ความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวนี้น้อยลงไปเพราะไม่ได้ไปทําตามความอยาก เวลาอยากจะเที่ยวก็คิดว่ามาทำบุญที่วัดดีกว่าเอาเงินมาทำบุญที่วัดดีกว่าเพราะเอาเงินมาทำบุญที่วัดแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปจะไม่อยากเที่ยวต่อไปจะอยู่เฉยๆได้เพราะเวลาเที่ยวนี้ไม่ใช่มันจะสนุกอย่างเดียวมันวุ่นวายพอสมควรไหนจะต้องหาที่เที่ยวไหนจะต้องเดินทางไป นาจะต้องเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมอะไรต่างๆแล้วบางทีไปก็อาจจะไม่สุขเพราะคนมากเกินไปเดี๋ยวไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันเที่ยวแย่งกันเล่นแทนที่จะเป็นความสุขกลับไม่สุขสู้มาวัดดีกว่ามาวัดนี่เรามาแบบสบายๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครเพราะคนมาวัดน้อย ไม่เหมือนกับคนไปเที่ยวเวลาคนไปเที่ยวนี่บางทีขับรถติดเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เที่ยวกันแต่มาวันนี้ไม่ค่อยติดเพราะไม่ค่อยมีใครมากันมาอย่างสะดวกอย่างสบายมาแล้วก็มีความเย็นใจสุขใจสบายใจนี่คือความสุขทางใจและความเจริญทางใจคนที่ทำบุญให้ทานนี้จะเจริญทางลาบยศจะเชิญท พบหน้าชาดหน้าถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะร่ำรวยกว่าเดิมเหมือนกับการปลูกข้าวข้าวเม็ดหนึ่งนี่สามารถออกรวงข้าวได้เป็นสิบสิบเม็ดฉันใดทําเงินบาทหนึ่งนี่จะได้กลับคืนมาหลายสิบเท่าด้วยกันทําบุญร้อยบาทพันบาทก็จะได้กลับมาหลายสิบเท่าชาดหน้ากลับมาร่ำรวยกว่าเก่าแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยว แล้วพอเที่ยวแล้วเงินก็หมดชาติหน้ากลับมาก็ไม่มีเงินรออยู่เลยต้องมาหาใหม่มาสร้างใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทำบุญเงินนี้จะกลายเป็นเงินที่จะรอเราอยู่เวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คืออานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานจะทำให้เราเจริญในลาบ จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่เรามีอยู่ในภพนิชานนี้แล้วบุญสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญขั้นที่สองก็เลือกว่าศีลหรือการไม่ทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเราจะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นผี ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราทําบุญแล้วก็รักษาศีลได้ตายไปเราจะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ <c oughs> เทวดาชั้นต่างๆก็เหมือนกับโรงแรมชั้นต่างๆโรงแรมก็มีหลายชั้นมีชั้นดาวหนึ่งสองดาวสามดา ว, ส, าดาวสี่ดาวห้าดาวเทวดาก็เหมือนกันที่อยู่ของเทวดาแต่ละชั้น ก็มีความสุขไม่เท่ากันชั้นต่ํากว่าก็สุขน้อยกว่าชั้นสูงกว่าจะขึ้นไปสูงก็อยู่ที่ทําบุญมากทําบุญน้อยทํามากก็จะได้ชั้นสูงทําน้อยก็จะได้ชั้นต่ําเหมือนกับเวลาคนไปพักโรงแรมมีเงินน้อยก็พักโรงแรมดาวเดียวถ้ามีเงินมากก็พักโรงแรมห้าดาวได้โรงแรมห้าดาวกับโรงแรมดาวเดียวนี้ มีการบริการไม่เหมือนกันอาหารไม่เหมือนกันที่อยู่ที่นอนทุกอย่างไม่เหมือนกันชั้นใดเทวดาชั้นต่างๆก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนโรงแรมชั้นต่างๆถ้าเราทำน้อยเราก็อยู่ชั้นต่าถ้าทำมากก็จะอยู่ชั้นสูงอันนี้เป็นผลที่จะเกิดจากการที่เรารักษาศีลได้แล้วก็ทำบุญทำทานทำน้อยก็ขึ้นไปชั้นต่า ทำมากก็ขึ้นไปชั้นสูงแต่รับรองได้ว่าไม่ไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ทําบุญเลยเพียงแต่รักษาศีลเพีอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปสวรรค์ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่รวยกว่าเดิมเพราะไม่ได้ทําบุญแล้วก็ไม่ตกต่ําเพราะไม่ได้ทําบาปถ้าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญดาลกก็ไปไม่ได้สวรรค์ก็ไปไม่ได้ ก็ต้องมาเป็นมนุษย์ต่ออันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปคือรักษาสีลได้แต่ไม่ชอบทำบุญเสียดายเงินเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าตรงนี้ก็จะได้เที่ยวได้ความสุขในชาตินี้แต่พอตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีเงินทองรอเราอยู่ต้องหาใหม่แต่ถ้าเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทำบุญทาทานแทน รักษาสีได้พอตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่สนุกกว่าท่องเที่ยวในโลกมนุษย์เมื่อกลับมาจากโลกทิพย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเงินทองรออยู่กลับมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีสตังไม่ต้องมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่ยากจนนี่คืออนิสง์ของการที่เราได้ สร้างความสุขความเจริญทางใจคือเราทําบุญทําทานรักษาศีลเวลาเราตายไปเราก็จะไปเป็นเทวดาจากเทวดากลับมาก็มาเป็นมนุษย์ที่รวยกว่าเก่าพอเป็นมนุษย์รวยกว่าเก่าเราก็ทําบุญทำบุญเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำมารักษาศีลเหมือนที่เราเคยทํามาต่อไปชาติต่อไปก็จะได้เทวดาชั้นสูงขึ้นไปเพราะเราจะทํามากกว่าเก่า เพราะเรามีเงินทามากกว่าเก่าต่อไปก็เลื่อนจากเทพชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่สองชั้นที่สามขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับความสุขความเจริญที่เราได้รับจากการทำบุญและจากการรักษาศีลห้าห้าข้อไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดืิมโซรายาเราแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ ชั้นสูงกว่าชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องเปลี่ยนจากศีลห้ามาเป็นศีลแปต้องรักษาศีลแปเราถึงจะได้มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบ <c oughs> เวลาใจสงบเป็นสมาธิใจก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมถ้าไม่รักษาศีลแปจะไม่มีเวลาเพราะจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ คนถือศีลแปนี้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงไปดูไปทำอะไรต่างๆไม่ได้แต่ถ้าคนที่ถือศีลห้านี่ยังไปได้ถ้าไปก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิคนถือศีลแปจึงไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครไม่กินเลียงไม่กินอาหารขํามกินเฉพาะเืิกกลางวันก็พอ หลังจากกลางวันไปแล้วจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วใจก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมได้นี่คือความเจริญของใจที่เราพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากการรักษาศีลห้าก็ไปรักษาศีลแปแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็ยังเสื่อมได้ ไปอยู่เป็นพรอมอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นอยู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะไม่เสื่อมก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งคือจเจริญปัญญาต้องฟังเทศฟังธรรมต้องมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงอยากให้เป็นของเราไปตลอดเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเราก็ไม่อยากได้พอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ใจแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลาอยู่ อันนี้เป็นธรรมระดับของพระอริยเจ้าและจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้พระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งเราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สอง <outfit. S 1> ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดเป็นพรหมอีกชอีกครั้งเดียวจากนั้นก็จะไปเป็น พระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าการเกิดนี้ไม่ดีเกิดแล้วต้องทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายดังนั้นคนฉลาดจึงไม่กลับมาเกิดกันคนฉลาดก็คือคนที่เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็เลยตัดความอยากต่างๆได้ ตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากก็ไม่มีเหตุที่จะดึงให้ใจมาเกิดใหม่ใจก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกนี่คือการพัฒนาทางด้านจิตใจที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราพัฒนากันถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะรู้จักวิธีการพัฒนาจิตใจมีสี่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือทาบุญทาทานขั้นที่สองก็คือรักษาศีลศีลห้าศีลแปขั้นที่สามก็คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบขั้นที่สี่ก็จเจริญปัญญามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่เป็นทุกข์ ถ้าเราไปติดไปอยากให้เป็นของเราเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์จะร้องห่มร้องไห้ถ้าเราเห็นว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงได้ตัดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเรามาวัดมาหากัน มาศึกษากันมาปฏิบัติกันเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปจึงขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพินิษพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้